มันจะเข้าลักษณะที่ว่าการกระทำมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำแล้วใครกระทำขันมันคำรูปกระทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ะทำงานของมันไม่มีผู้กระทำไม่มีเราความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขันอีก การกระทำมีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันอีกไม่มีเราไม่ต้องรักษาก็จะไม่มีเราไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาก็ไม่มีภาวนาจะได้ถึงตัวนี้ก็เ ท, เ, เที่ยงเที่ยงหลายเรื่องหนึ่งเที่ยงที่ไม่ตกตำ่ำไม่แปลบาอันที่สองเที่ยงต่อการที่อนิพาน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 หาที่บวชนไม่ได้ทีแรนบางท่านรู้สึกว่าเป็นคราวาสก็ภาวนาได้เป็นฆราวาสนี่จะภาวนาได้สะดวกสะดวกเนี่ยถึงขั้นที่สองจะขึ้นขั้นที่สามเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับคราวาดงานที่ต้องทำต่อไปก็ดูเห็นขันมันทำงานนะใจก็เห็นขันนี่แหละตัวทุกข์ละ จะเห็นขันเป็นตัวทุกข์นะท้ายปัญญามันแทงตลอดสามโลกธาตุนี้มิแต่ทุกข์ไม่มีที่จะหยั่งเท้าลงแล้วมีความสุขได้เลยมันจะไม่มีที่ที่จะเกิดได้แล้วมีความสุขอีกละจะเห็นว่าความเกิดเกิดขึ้นที่ใดความทุกข์ก็มีอยู่ทุกทีใจก็น้อมไปทางออกจากวัตฏะไปเลยเป็นลําดับไป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 ถ้าสงออกนอกแล้วก็เพิ่มหวัดไหวไปตามอารมณ์เป็นสมุทยัยผลที่จิตสงออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวตามอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าจิตสงออกนอกแล้วมีสติมีปัญญากํากับตัวเองอยู่กนะ็เป็นมักผลที่จิตสงออกนอกแล้วมีสติมีปัญญากํากับนะ้เป็นนิโรธงั้นเราออกนอกไม่เป็นไรออกนอกแล้วมีสติมีปัญญารู้เท่าทาัน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 แต่พอถึงขั้นมีสติแล้วมีจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่มีแล้วสติระลรึกรู้กายก็เห็นกายแสดงใจลักษสติระลรึกรู้เวทนาเวทนาก็แสดงไใจลักษสติระลึกรู้จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงดีปรุงชั่ ว, วก็แสดงใจลักสติระลึรกรู้จิตใจแนละ้วก็เห็นจิตใจแสดงใจลักษนะมีแต่ไใจลักษทั้งนั้นเลย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 จะอือจะฉีอะไรก็พ อ, อนานะไม่ต้องไปท่องพุโทโธพุโทโธหรือเชิญเทวดาทั้งหลายมาไม่ต้องให้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจไม่ต้องไปเชิญใครเข้ามาทุเรศบอก เ, ร, เราเทวดาธรรมดาไม่เข้าใกล้คนหรอกเหม็นเหม็น ค, นคนคนหนึ่งนะระยะทางที่จมูกเทวดาได้กลิ่นเหม็นของคนค น, คนหนึ่ง 1,600 กิโเมตร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 มันเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆระหว่างอ น, นิจจังกับอนัตตาเห็นอะไรชัดกว่ากันคิดว่าอ น, นิจจังค่ะอนิจจังใช่ได้งั้นดูไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปมาแล้วไปดูเนี่ยซ้ำแล้วซ้าอีกนะอันอื่นไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกแค่ถือสี่ห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองแล้วก็ดูเนี้ยมันมาแล้วไปมันมาแล้วไปแค่นี้แหละ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 แล้วแต่ข้อมือเนาะทําทงานอะไรไ่เคลื่อนไหวไปทํางานบ้านซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านอย่างเงี้ยนะแล้วก็คอยรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทํางานไปดูกายบ่อยๆเราเป็นรักสวยรักงามนะดูกายบ่อยๆเห็นกายกับใจมันละอันกันนะค่อยๆแยกไปเรื่อยอย่าไปเพ่งให้จิตมันสงบนิ่งลงไปขอบคุณค่ะหลวงพอ่อครับ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 อนมนุษย์จับไว้อะไรเป็นอนมนุษย์บ้างร่างยศโอ้ตำแหน่งเดี๋ยวก็หมดแล้วกันยาแล้ว <c oughs> กันยานะพอถึงตุลาต้ น, ต, น, ต, นต้นตุลานะใครกันก็ตายเยอ ะ, ละแล้วแลเฉานี่พวกใหญ่ๆนะแกเสียแนละ้วทนไม่ได้นะแล้วจเดิมไปไหนมาไหนคนเขารบนอบนอบอย่างนี้คนเขาเห็นแล้วเาก็หลบหลบ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 เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมร่างกายกับจิตม ha ันคนละอันกันเคยเห็นเจ้าค่ะแล้วความรู้สึกกับจิตก็คนละอันกันคนละอันกันเห็นเนาะโอ้เห็นนะดีแล้วล่ะไปภาวนาต่อเจ้าค่ะถูกแล้วล่ะถ้ามันแยกได้นะเมันก็เห็นแต่ละตัวมันทํางานได้เองนะเจ้าค่ะเอมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสั่งมันไม่ได้จริงหรอกคือโยม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 ดีนะภาวนาดีไปทำอีกนะเจ้าค่ะแต่เวลาภาวนาขนาดนี้จิตถึงฐานไหมขนาดนี้ไม่ถึงเลยเจ้าค่ะโอ้โอเก่ง <laughs> ตื่นเต้นมากเลยตอบถูกทุกเรื่องเลยถามอะไรก็ตอบได้ <laughs> ถามว่ามีตัวตนไหมก็ยังมีอยู่มีเอ <laughs> อเก่ง <laughs> <laughs> อย่างนี้ชอบ <laughs> <laughs> <laughs> ถ้าไม่มีนะ่ปวดหัวหรอวะเ <laughs> <laughs> ยะ ย, ยมขอการบ้าน ที่ทำอยู่ดีแล้วนะเจ้าค่ะแต่จิตให้ถึงบ้านจริงๆก็แล้วกันจิตถึงฐานพระนาเก่งบ้านอยู่ไหนอยู่พระธาตุกดแก้วเป็นสถานที่โน่นเจ้าค่ะเออดีพระนาดีรอบพระคืนเจ้าค่ะกล่าบนามัสการท่านพระอาจารย์ค่ะมาจากไหนล่ะพระธาตุมาจากชิงรายค่ะมาจากพระธาตุกดแก้วค่ะยอมปฏิบัติตามแนวทางอื่นมา เกินสิปีค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยก้าวหน้านะคะก็ฟังซีดีของพเจนมามนประมาณสักมัก้าว<ะ>ยากนะเพราะว่าสมมติว่าจิตมันไม่ถูกถ้าจิตถู ก, กมันถึงจะ ก, ก้าวหน้าจิตมันไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธาตุขันไม่แยกแล้วไม่ก้าวหน้าหรอกค่ะโยมควรจะทําอย่างไรดีใช่ไหมที่ทําตอนนี้ก็ถูกแล้วล่ะก็ทําบ่อยๆค่ะไปทําต่อเจ้าค่ะ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 ชู้ตายนะมรดกการหลวงพ่อครับผมไม่ได้ส่งการบ้านสามปีแล้วครับมาจากไหนเนี่ยจากวัดพระธาตกอดแก้วครับโอ้วัดนี้ภาวนากันเก่งๆเยอะเลยเห็นไหมกายกับใจโคละอันเห็นไหมกุศลอากุศลกับจิตเก็ละอานเห็นไหมนานเห็นทีครับนานเห็นทีก็ยังดีนะอยังมีโอกาสไม่เคยเห็นเลยไม่ไหวดีที่ภาวนาอยู่ก็ถูกแล้วล่ะ แต่ว่าคอยรู้ทันเวลาจิตเป็นไหลไปคิดจิตเป็นเคลื่อนไปไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆขันมันก็แยกแล้วละ่ะดีสการครับกลาวนามส ก, การคะ่ะหลวงพ่อเอาการบ้านมาส่งค่ะออจะบอกว่าระยะหลังเนี่ยคะ่ะเห็นหลายสิ่งที่ตั้งใจทําโดยที่ไม่ได้คิดหลายสิ่งที่คิดไว้กับไม่ได้ทําแล้วก็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 นะทำถูกแล้วละเห็นขันมันแยกไหมเห็นเจ้าค่ะถูกต้องอีกแล้วเก่งดีว่าชมไปหลายดีแล้วนะเมื่อก่อนที่ขอนแก่นมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งใครไปเล่าอะไรก็ท่านก็่อดีเนาะดีเนาะบางคนเขาเรียกหลวงปู่ดีเนาะกราบขอการบ้านเจ้าค่ะก็ทำอย่างที่ทำนี่แหละแต่เวลาใจฟุ้งซ่านที่มาก็ให้รู้ทันนะ ใจฟุง้งซ่นก็พุโทโธพุโทโธไปมันสงบของมันเองอย่าไปบังคับให้มันสงบของหลวมอย่างฟุ้งเก่งอยู่เจ้ไม่หลอกหลอกจริงๆนะสาธุเจ้าค่า <laughs> ะพุโทโธพุโทโธหายใจหายใจไปนะแล้วรู้สึกไปใจเราก็สงบมีเรี่ยวมีแรงแต่อย่าไปบังคับให้สงบนะเขาสงบเองเจเราแค่พุโทโธพุโทโธบ่อยๆเขาสงบของเขาเอง ถ้าเราพุโทโธเราอยากให้เ้าสงบเราจะอึดอัดอย่างนั้นทําผิดแล้วถ้าอึดอัดแล้วทําผิดนะเจ้าค่ะนำัศการค่ะหลวงพ่ออเคยส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะคะคือหลวงพ่อบอกว่าหนูติดฟุ้สร้างแล้วก็หลงอะคะ่ะทีนี้ก็ อ, อ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 ความปวดแล้วก็เห็นตัวเองที่ปวดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามโนไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อมันเห็นจริงๆนะเหมือนเริ่มแยกแล้วละค่ะดีแล้วละค่ะไปทำอีกนะค่ะขอนมัสการหลวงพ่อที่เขารบอย่างสูงยิ่งโอ้เหมือนจดหมายราชการเลยผมก็ได้พบได้กาบ หลวงพ่อสมัยที่ไปมาหาวิไลมาหาสารคามนั่นแหละครั้นแรกหลาบปีแล้วเนาะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหรอครับทีนี้ผมก็ยังติดใจอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีมาพบหลวงพ่อพอดีก็มาเข้าออคอสมาพบหลวงพ่อนี่แหละเออดีนะดีครับผมก็เรียนมาแต่ปริยัตปฏิบัตินี่ ได้ประเด็นเก้าหรยมอ่ะได้ประเิญนเก้าไหมก็ไม่ถึงครึ่งขึ้งนั่นแหละเดยเป็นมหาประเริญก็เก่งแล้วล่ะหลพ่อยังไม่ได้กระทั่งประเริญสามเลยเพราะฉะนั้นผมก็ได้ปฏิบัติก็สวดเจริญพระปรามีสามสิทธัสสะแต่ทานถึงอุเบกขาแล้วก็มานั่งสมาธิก็วันละ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 ครับแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธไปแต่ไปใจมันมีความสุขอยู่กับพุทโธนะมันก็ไม่ไปหาอดีตหรอกครับผมเพราะฉะนั้นก็มีแต่อดีตนั่นแหละมันเข้ามาถ้าะนัไม่ปล่อยก็ยากทงวิปัสสนาไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเรขออธิษฐานกิตอืมก็อยากปลดปล่อยที่อดีตนั่นแหละครับผมเออครับเราห้ามใจไม่ให้คิดนะห้ามไม่ได้ใจมันจะคิดนะ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 ก็ฟังทีดีหลงพ่อนั่นเลยนั้นยมเอาปัจจุบันให้ได้เนาะครับผมคือแทนที่จะให้มันไปคิดอดีตเราก็มาคิดอะไรคิดพุดโทโธพุโทโธของเราไปครับผมเอาเชิญกลับบ้าน<ร>